ว่าท่านอาลาลดาบทกลามโคธก็บอกว่าท่านรู้ยิ่งซึ่งทำนี้เองแล้วบอกสอนทั้งหมดได้เท่านี้ใช่ไหมบอกใช่พ ร, พระพุทธทิศานก็บอกถึงตัวเราก็รู้เห็นทําให้แจ้งธรรมะนี้อย่างที่ท่านพูดอาลาลดาบทก็บอกว่าเป็นลาบของเราเราได้ดีแล้วมิเสียแรงที่เราได้เห็นท่านผู้เป็นเพื่อนอได้ เป็นลาบเป็นบุญของเราที่ได้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นท่านคืออาลาละดาบทคนนี้ไม่ใช่มีคนเป็นคนมีใจริษยาพอบอกว่าลูกศิษย์มาปฏิบัติสองสามวันทําได้เท่าตนเหมือนบวชมาห้าหกสิปีเนี่ยนะดีใจมากเลยเนี่ยนะดีใจมากคล้ายๆกับว่ามีคนมาสืบทอดเจตนารมเราแล้วเนี่ยนะคล้ายๆว่าเหมือนกับแบบทั่วๆไปก็คือฝากผีฝากไข้อ่ะนะเป็นทายาทในาศาสนาของของเขาอ่ะนะก็แค่วันนี้แหละคนนี้แหละจะเป็น ตัวแทนเป็นผู้สืบทอดก็เลยดีใจมากว่าไม่เสียแรงที่บอกสอนใช่ไหมท่านเนี่ยเปถือว่าเราเนี่ยเป็นราบที่ได้เพื่อนอนะเพื่อนในลทัทธิคำสอนเช่นกับท่านเพราะอะไรเพราะตัวเราเองรู้แจ้งเข้าถึงทำใดบอกสอนคนอื่นอ่าบอกสอนท่านท่านก็รู้ได้เพราะฉะนั้นท่านรู้ทำใดเราก็รู้ทำนั้นเรารู้ทำใดท่านก็รู้ทำนั้นเพราะฉันสรุปว่าท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้น เราเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นเอาเธอเราทั้งสองคนมาอยู่ปกครองศาสนาปกครองหมู่คณะลัทธิเหล่านี้ด้วยกันอคิเวสณนะอาลารดาบทกะรามาโคถึงเป็นอาจารย์ของเราก็ยังแต่งตั้งเราผู้เป็นศิษย์ให้เสมอกันกับตนแล้วก็ยังบูชาเราด้วยการบูชาชนิดพิเศษอีกคือหมายความว่ามีอะไรนะจะเอาของดีไปถวายพระโพธิสัตว์ก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วตัวเองจะได้ใช้ค่อยใช้เนี่ยนะ บูชาพระโพธิสัตว์ชนิดพิเศษปกตินี่พระโพธิสัตว์เป็นลูกศิษย์แต่เคารพลูกศิษย์เหมือนกับอาจารย์เนี่ยเคารพศิษย์เนี่ยนะเดีเขาเขาเคารพ น, นับถือขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะไม่เคยพบใครมีบุญมีวาสนามีความสา ม, มารถขนาดนี้เลยเนี่ยนะยกย่องมากเพราะอะไรเพราะสองสามวันทําได้เท่าตนน่ะซึ่งตนเองก็อยู่ในรัฐที่คําสอนนี้มันเนิ่นนานกว่าจะได้ขนาดนี้รู้เลยมันยากแท้เนี่ยนะคนเนี้ยเข้ามาไม่นานทําได้ทั้งหมดตามนั้น อาคีเวสนะเราก็ได้มีความปริวิตกคีตต่อไปว่าธรรมะนะนะปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุตฌานอากาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะตามแนวที่อาลาลดาบทกลามาโคตรบอกสอนพาเจริญประพฤติปฏิบัติจนบัดนี้เนี่ยนะไม่ได้เป็นไปเพื่อ น, นิพิธามไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพิทานุปัสสนาเลยนะ เพราะไรเพราะไม่ได้สอนอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาที่น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายเมื่อไม่เบื่อหน่ายก็ไม่เป็นไปเพื่อคลายกําหนัดเมื่อเป็นไปเพื่อคลายกําหนัดก็ไม่เป็นไปเพื่อดับกิเลสไม่เป็นไปเพื่อความสงบกิเลสไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งนะเพื่อความรู้ยิ่งกำหนดรู้ละทำให้แจ้งวันจึงไม่มีการตรัสรู้ไม่ได้จบลงที่การบรรลุมรรคผลนิพพาน เพราะฉะนั้นสมาบัติทั้ง7ประการที่พูดเป็นไปเพียงเพื่อนําเกิดในอากินจัญญายตนะภพเท่านั้นแหละมียโยหกหมื่กับนะนำไปเกิดในอากินจัญญายตนะภพเท่านั้นอะคีเวสณนะเราไม่พอใจในธรรมะนั้นเบื่อจากธรรมะในลัตที่คำสอนอันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพวกนี้เป็นบาทของวัตตะเป็นการเจริญที่เรียกว่าสังขารเพื่อให้เป็นปัจจัยแก่ วิญญาณเนี่ยนะปฏิสนธิวิญญาณในอากินจัญญายตนะเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดแล้วต่อด้วยอะไราชาติชรามรณะเนี่ยนะแล้วก็เวียนกลับมาสู่วัภพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดสัตตาวาสเก้าตามเดิมไม่ได้ออกจากทุกเลยมันจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ท่านปรารถนาเพราะอะไรเพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสนามักและผลมันไม่ได้จบลงที่การบรรลุนิพพานเมื่อ ที่สุดของคำสอนอันนี้แล้วเพราะฉะนั้นออกดีกว่าเพราะไม่ใช่เป้าหมายที่พระองค์ต้องการเนี่ยนะก็เรียกว่าเดินทางออกจากไปอคีเวสนะราวนั้นหลีกออกจากสำนักอาลาลดาบทกลามโครเป็นผู้สแสวงหาอยู่ว่า สิ่งอะไรเป็นกุศลอะไรเนาะคือกุศลเนี่ยนะก็คือสแสวงหาอริยมรรคเนี่ยนะที่จะนําออกจากทุกข์ค้นหาความสงบอันประเสริฐที่ไม่มีความสงบอื่นจะยิ่งไปกว่าหมายถึงพระนิพพานเสร็จแล้วเราก็เข้าไปหาอุทกะดาบดรามบุตรก็กล่าวกับอุทกะดาบดรามบุตรว่าท่านรามาเราปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมวินัยนี้ด้วยพอพูดจบ อุตกะดาบทรามบบทก็บอกว่าเชิญยูโทเชิญยูเธอท่านถ้าผู้ที่เป็นวินยูช น, ชนเช่นท่านปดอยูในศาสนานี้ไม่นานดอกก็คงจะรู้แจ้งแก่จิตเนี่ยนะตามที่อาจารย์บอกเข้าถึงอยู่ oo, วินยูชนแบบนี้นะักศึกษาปฏิบัติไม่นานเข้าถึงเลยเลยอคีเวศณะเรานั้นก็ได้เล่าเรียนธรรมะนั้นได้อย่างฉับไวไม่นานเลย อคิเวสนะเรากล่าวยาณวาทะเทรวาทะด้วยอาการเผยริมฝีปากพูดเท่านั้นเองเทระวาอ้าปากก็พูดได้เลยเนะเมื่ออาจารย์พูดจบเพราะงั้นอันหนึ่งเราปฏิญาณว่าเรารู้เราเห็นไม่ใช่เราคนเดียวที่รู้เห็นถึงคนอื่นก็พูดได้เหมือนกันว่าเขารู้เขาเห็นอคิเวสนะเราก็มีความคิดขึ้นมาว่าอุทกาดาบทรามบรไม่ใช่บอกสอนเพียงเฉพาะเขามีศรัทธาแต่ที่แท้แล้วเขาเข้าถึง นวาสัญญาณนะสัญญาญตนะแน่นอนหลักการอันนี้ไม่ได้เกิดจากหลักการที่คิดเอาแต่เป็นหลักการของผู้ที่เข้าถึงเพราะฉะนั้นเราก็เลยเข้าไปหาอาลาละดาบทและก็ขอขอคำรานขอคาแนะนำเพื่อจะปฏิบัติให้เข้าถึงอยู่ซึ่งอาลาล อุทกดาบทรามบุตรก็บอกสอนบอกวิธีการบริกรรมเข้าถึงเนวสัญญาณาสัญญายาตนะพอฟังจบพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าไม่ใช่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถึงเราเองก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพอที่จะเจริญให้ได้เนวะสัญญาณาสัญญายาตนะ เพร า, ราะถ้าใครเราต้องตั้งความเพียรเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งเนวสัญญาณาสัญญายาตนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติอยู่ไม่นานเท่าไหร่วันสองวันก็ได้เนวะสัญญาณาสัญญายาตนะแล้วเนี่ยนะอคีเวศณนะเรานั้นก็ได้รู้แจ้งเข้าถึงธรรมะนั้นเองแล้วเข้าถึงอยู่โดยฉับไวไม่นานเลยเราพอได้อย่างนั้นโดยชํานาญแล้วก็เข้าไปหาอาจารย์อุตกดาบทรามบุตรแล้วก็ไปถึงบอกว่า ท่านได้รู้แจ้งธรรมะนี้เองประกาศให้รู้ทั่วถึงธรรมะเพียงเท่านี้หรืออาจารย์ลทัทธิของอาจารย์มีเท่าที่อาจารย์บอกมาใช่ไหมบอกใช่เนี่ยนะใช่เลยเนี่ยนะได้ถึงเนวสัญญาณาสัญญายาตนะอาจารย์ได้เท่าใดข้าพเจ้าก็ได้เหมือนอาจารย์นั่นแลโอยเป็นลาภของเราเนาะเราได้ดีแล้วเนาะมิเสียแรงที่เราได้เห็นท่านผู้เป็นเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์เช่นท่านเนี่ยนะไม่เสียแรงจริงๆ รามะรู้แจ้งทำใดแล้วประกาศสอนบอกคนอื่นท่านก็มารู้แจ้งทำมอันนั้นแม่เก่งจริงเลยนะเราเข้าถึงขนาดไหนท่านก็ยังเข้าถึงขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นธรรมรามะคืออุทกดาบทรามะบทรู้ทำใดท่านก็รู้ทำนั้นท่านรู้ทำใดรามะก็รู้ทำนั้นสรุปท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นมาเถอะเราทั้งสองมาช่วยกันปกครองหมู่คณะเนี่ยนะ อันนี้ก็หมายจะคิดจะปลูกฝีปลูกไข่ให้เห็นะจะปลูกเขาเรียกว่าประนะปูกฝังศาสนทายาทในศาสนาเนวสัญญาณาสัญญายตนะเนี่ยนะมันก็เลยแต่งตั้งในฐานะสิทธิ์เนี่ยแต่งตั้งเทียบเสมอต น, นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยก็หวังความคิดว่าจะปลูกอะไรนะถ่ายทอดใช่ไหมเป็นคนที่สืบทอดเจตนารมรักษ า, าศาสนาอันนี้ต่อไปให้ยั่งยืนยาวนานก็เลยบูชายกย่องอย่างยิ่ง อาคีเวสนะความปริวิตตกได้มีแก่เราต่อไปว่าธรรมะตั้งแต่ปฐมฌานถึงเนวสัญญานาสัญญายัตนะในาศาสนานี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย นะเพราะอะไรเพราะไม่มีอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเมื่อไม่มีอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาจะมีนิพพิทานุปัสสนามาจากไหนเมื่อไม่มีนิพพิทานุปัสสนาก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานลทธิคําสอนนี้ที่สุดก็อยู่ที่การเกิดที่เนวสัญญานาสัญญายาตนะพบเท่านั้นแหล อาคีเวสณะเราไม่พอใจธรรมนั้นเบื่อจากธรรมวันนั้นเหลกไปเสียเพราะฉะนั้นโลกิยะสมบัติทั้งหมดพระโพธิสัตว์ได้รับหมดเลยเนี่ยนะได้รับโลกิยะสมบัติทุกชั้นแต่พระ อ, องค์ติดอยู่ในสุขเหล่านี้ไหมไม่สุขเพราะอะไรเพราะพื้นฐานพระ อ, องค์มีกายภาวนา เนี่ยนะปลาโรบันนี้มันเป็นเพียงว่าตานี้มันไม่เที่ยงเป็นต้นเท่านั้นเองเนี่ยนะไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองมาเสาะหาสะแสวงหาเพราะฉะนั้นที่สัจจการนิครนพูดกระทบแหมก็แสดงว่าท่านไม่เคยได้รับความสุขขนาดนี้สิบอกทําไมจะไม่มีความสุขชนิดที่เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายสยบและหมกมุ่นเนี่ยนะพระองค์ก็ได้หมดแล้วท่านการมมาสุขพระองค์ก็ได้สมัยที่เป็นคารวาสแบบคารวาสทั้งหลายท่านก็ได้กามมาสุขทั้งหลายเหล่านั้นแต่ก็ไม่ติด บวชเข้ามาแล้วได้ปฐมฌานก็ไม่สยบรุ่มหลงกำหนัดอยู่ในปฐมฌานกำหนัดติดอยู่ในทุทาาตทิยฌานตาัติยฌานจะตุตตาฌารูปปฌานและอะรูปปฌานัันเบื่อหน่ายจากความสุขทั้งหลายเหล่านั้นเลีกไปเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ปรารถนาไม่ใช่สิ่งที่พระองค์สแสวงหาใจก็เลยน้อมหลีกไปเนี่ยนะอัิเวสนาะ ทนี้ต่อไปจะพูดถึงทุกบ้างว่าพระองค์นี้เคยได้รับความทุกตอนนี้พูดถึงความสุขไว้ว่าเคยได้รับความสุขชนิดใดมาบ้างต่อไปก็จะเล่าให้ฟังว่าพระองค์ไม่ใช่ไม่เคยทุกนะอคีเวสนะครั้นเราหลีกไปจากสำนักของอุทะกะดาบทรามบุตรก็ยังเที่ยวสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลคนหาสิ่งที่สงบประเสริฐที่ไม่มีสิ่งใดจะสงบประเสริฐยิ่งไปกว่าเที่ยวจาริกไปโดยลำดับ ไปในมคตชนบททั้งหลายไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ได้เห็นพื้นที่ที่ราบเรียบแนวป่าเป็นทิว น, นั้นแนวป่าเป็นทิวก็คือสวยมากเนี่ยนะเป็นที่โปร่งใจแม่น้ำกำลังไหลสีขาวจืดสนิทมีท่าอันดีหน้าเรื่นรมหมู่บ้านโคจอมที่บินทบาทก็มีอยู่โดยรอบอคิเวสนะเรามีความปริวิตกว่าคิดขึ้นว่าภูมิประเทศตรงนี้ราบเรื่นจริงหนอแนวป่าเขียวเป็นทิวเป็นที่โปร่งใจแม่น้ากาลังไหลสีขาวจืดสนิทมี ถ้าเป็นอันดีเป็นที่น่ารื่นรมบ้านโคโจรคามก็ตั้งอยู่โดยรอบสถานที่ตรงนี้แหละสมควรเพื่อจะเป็นที่ตั้งในการทำความเพียรของกุลบดผู้ทาความเพียรที่นี่เหมาะสมที่สุดที่จะเจริญสัมมปทานสี่เจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเพื่อบรรลุมักผลนิพพานอคิเวสนะเราครั้งนั้นได้หยุดพักณนะที่นั้นด้วยคิดว่า สถานที่ตรงนี้พอแล้วละเพื่อที่จะตั้งความเพียรนะทั้งอาหาที่อยู่ก็สปายะอาหารสปายะอุตสปายะด้สปายะอย่างด้วยกันเนี่ยนะอคกิเวสนะณนะที่ตรงนี้เราก็มีความคิดเรื่องอุปมาข้ออุปมาสามข้อที่ไม่น่าอาัศจรรย์หรืออัศจรรย์เล็กน้อยแต่เราก็ไม่เคยได้ฟังมาการก่อนความคิดในการอุปมาสามข้อได้เกิดขึ้นแกเราอคิเวสนะ อุปมาข้อแรกไม้สดชุ่มอยู่ด้วยยางบุคคลตัดแช่น้ําไม้สดชุ่มด้วยยางเนี่ยก็เช่นไม้มะเดื่อเป็นต้นเนี่ยนะที่เรียกว่าสกิดตรงไหนยางตรงนั้นก็ตัดตรงนั้นก็มีแต่ยางนะสะกิดตรงไหนก็มียางถ้าตัดไม้มะเดื่อเนี่ยนะที่ชุ่มเปียกด้วยยางไปแช่น้ํำละ่ะทีนี้บุรุษปรารถนาจะเอามาทําเป็นไม้สีไฟเพราะคิดจะเอามาเสียดมาสีให้เกิดไฟให้ได้อย่างนี้เนี่ยนะ อคีเวสนะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงนะบุรุษนั้นเมื่อถือเอาไม้สดชุ่มด้วยยางตัดแช่น้ําโน้นะมาทําเป็นไม้สีไฟอยู่จะทําให้เกิดไฟเกิดเตโชธาต์ปรากฏขึ้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้บ้างไหมเนี่ยนะไม่ได้เลยพระโคดมเอาเท่าไมรล่ะพระโคดมก็เพราะว่าโน้นะ่ะเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางไม่หนําซ้ําอย่ า, ง, ยา ง, ยงแช่น้ําอีกบุรุษที่เอาไม้สดแช่น้ําเนี่ยนะ มาสีไฟมันก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยเปล่าเท่านั้นแหละอคิเวสนาอุปมาฉันใดเนี่ยนะอุปามาอก็ฉันนั้นเหมือนกันพวกสมณพราหม์พวกใดพวกหนึ่งถ้าหากว่าเป็นพวกบวชร่างกายเนี่ยถือเพศนักบวชก็จริงแต่ยังเกลือกกลั้วอยู่ในวัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมเนี่ยนะคือคือปฏิญาณตนว่าเป็นนักบวชก็บวชแต่ปากเนี่ยนะ แต่ร่างกายทั้งหลายเนี่ยหมกมุ่นบำรุงบำเรอปรนเปรอยอยู่ด้วยวัตถุกามจิตใจก็หมกมุ่นอยู่ด้วยกิเลสกามเพราะฉะนั้นบรรดากิเลสกามทั้งหลายมีกามเป็นที่ตั้งมีชันทะในกามเกิดความเยื่อใยเสน่หาในกามหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ในกามกระหายกระวนกระวายอยู่ในกามก็ว่ากามทั้งหลายเนี่ยตามแผดตามเผากระวนกระวายเร่าร้อนสมณพราหมณ์พวกนั้นเนี่ยนะ ตัวเองยังไม่ได้ละเสียได้ด้วยดีและก็ระ ง, งับไม่ได้ด้วยซ้ำเสียภายในยังใช้ชีวิตเกลือกล้วหมกมุ่นอยู่ด้วยวัตถุกรรมและกิเลสกรามเอ่ยปากด้วยวาจาเพียงแต่ว่าตัวเป็นสมณะแต่จิตเนี่ยชุ่มอยู่กับวัตถุกรามและกิเลสกรรมแล้วก็หมกมุ่นอยู่ตลอดอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกนั้นนะถึงจะเสวยก็ตามไม่เสวยก็ตามซึ่งความทุกข์ที่ กล้าแข็งเผ็ดร้อนที่เกิดจากความเพียรก็ไม่ควรเพื่อจะให้เกิดยาณทัศนะคือปัญญาอันตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมก็แปลว่าผู้ที่ปฏิบัติสยบตัวหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกรามด้วยกิเลสกรรมนะบริโภคกรรมหมกมุ่นอยู่ในการเกลือกล้วคลุกคลีอยู่กับกรรมอยู่อย่างนั้นแหละ